อนาปฏิวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือ949หนึ่งพิษณีทอดทุระเมื่อมีอันตรายสองพิษณีหาผู้ช่วยไม่ได้ 3. ภิพิษณีผู้เป็นไข้ 4. ภิพิษณีผู้มีเหตุขัดข้อง 5. ภิพิษณีวิกลจริต 6. ภพิษณีต้นบัญญะสิทธาบทที่ส